แต่ต้องประถากเลี้ยงดูไปแต่สําคัญที่สุดก็คือสภาพจิตที่เป็นไปกับอิริยาบทสจิตอันนั้นแหละเป็นที่ที่ทํากรรมเป็นที่บุญเป็นที่เกิดบาปก็ระวังรักษาตรงนั้นศึกษาคําสอนก็เพื่อรักษาจิตไม่ให้ไหลไปกับบาปไม่ให้ไหลไปกับอกุศลถ้าหากว่าจิตที่ไม่เป็นไปกับบาปกับอกุศลก็จะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยปัญญาเหล่านั้นที่เกิดนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่อบรมแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความพ้นจากกองทุกทั้งหมดนะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้คงจะคงจะศึกษาเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งเราทั้งหลายก็ได้สวดมนต์กันมามากแล้วทีนี้ทั้งสวดด้วยแล้วก็ศึกษาความหมาย คุนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นาศาสดาของพวกเราทั้งหลายคำว่ า, าศาสดาก็คือผู้สั่งผู้สอนการศึกษาพระธรรมนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักผู้สั่งผู้สอนผู้แนะนําเราก็ไม่อยากจะปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้น แต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโดยคุณของพระองค์ถ้าเรียกแบบสรุปๆเลยนะมีสมอยู่สามอย่างด้วยกันนะคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อๆมีอยู่สามอย่าง อย่างที่หนึ่งเาเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณข้อที่สองก็พระปัญญาธิคุณและข้อที่สก็คือพระองค์มีทรงมีพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นที่ได้สะสมอบรมมาไม่จําเพาะชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ในอดีตชาติที่ยาวไกลเห็นไนะ ถอยหลังไปยาวซึ่งเราทั้งหลายเคยได้ฟังไปแล้วว่านับตั้งแต่ความที่พระองค์ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยกรุณานั่นแหละคาว่ากรุณาคือลักษณะอย่างไรเห็นคนที่มีความทุกข์แล้วจิตใจหวันไหวะนะเคยไหมสมมติว่าพ่อแม่เนี่ยนะเห็นลูกกำลังป่วยไข้ยอย่างหนักเลยถามว่าจิตใจวันไหวไหมในขณะนั้น เรียกว่าย่อมยังใจของคนดีให้มันวันไหวสะเทือนใจของคนดีแบบนันนึกสงสารเขาแต่ถ้าการุณาเนี่ยนะใจจะไม่เศร้ามองนะแต่ถ้าโทสะเนี่ยดูเหมือนสงสารแต่ก็เศร้ามองแต่ถ้าการุณาเนี่ยไม่เศร้ามองแต่ก็เห็นใจจริงๆเนี่ยน ะ, ะพระพุทธเจ้านั้นมีอัธยาศัยในลักษณะนั้นตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเห็นสัตว์ทั้งหลายซึ่งตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ พระองค์ก็มองเห็นว่าเออสัตว์ก็เหมือนกับลูกหลานพระองค์นั่นแหละที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ก็มีจิตที่คิดจะช่วยความที่พระองค์มีจิตที่คิดจะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์กระตุ้นเตือนให้พระองค์บําเพ็ญบา ร, รมีทั้งสามสิบทัศเห็นไหมบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบทัศนของเราจําได้กันแล้วเนาะนะนะบำเพ็ญบา ร, รมีคือทานบา ร, รมี ศีลและบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีและวิริยะเสร็จก็ขันติเนาะขันติบารมีอธิฐานบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเนี่ยนะทีนี้ฐานบารมีก็แบ่งออกเป็นสามระดับนะเป็นฐานนบารมีธรรมดา คือการบริจาคทั่วไปสละข้าวของเครื่องใช้วัตถุต่างๆให้เป็นทานด้วยความกรุณาเนี่ยนะสงสารก็เลยคิดให้คิดเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แต่ก็มีปัญญาประกอบในขณะที่ให้การให้ทานแต่ละครั้งก็หวังใจอยู่เสมอว่าขอทานอันนี้จงเป็นบารมีนี่นะเรียกว่าเป็นทานเพื่อ สะสมให้เป็นเหมือนกับเรือแล้วก็จะได้ช่วยขนสัตว์ให้น้นให้พ้นจากฝั่งคือสกายะเนี่ยนะให้พ้นจากฝั่งคืออุปาทานขันห้าถึงปรินิพานคาว่าเรือในที่นี้เป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองคือพระองค์ให้ทานก็ตั้งความปรารถนาเพื่ออรหัตมรรคอรหัตมรรคแล้วเป็น ปั จ, จัยให้บรรลุสัพพัญญุตยานเป็นต้นจะได้ช่วยรื้อขนสัพพะสัททังหลายได้อันการให้ทานของพระ อ, องค์ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณแม้กระทั่งให้ทานธรรมดาเข้าของภายนอกหรือบางครั้งเป็นทานณนะอุ ป, ปปารมีก็คือสละบริจาคอวัยวะให้เป็นทานอย่างเป็นพระเจ้าศรีวิราชก็ควักดวงตาให้เป็นทานอย่างเงี้ยนะเป็นสะัสะบัณฑิตก็ยอมสละตัวเป็นทาน ของเราต้องทําขนาดนั้นหรือเปล่านะตื่นเช้ามาตักบาตรนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วละ่ะไม่ต้องถึงขนาดไปควักตารหรอกนั่นแหละแต่ให้เห็นว่าพระาศาสดาของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงบําเพ็ญบารมีลักษณะอันอ่ะแม้กระทั่งพระองค์ก็ให้ชีวิตเป็นทานเรียกว่าปรมมัถบปรมีอพระองค์ก็บําเพ็ญทานบารมีทานะอุปป ร, ปรมีทานะปรมมัทบารมี ศีลก็ยังแบ่งออกเป็นศีลและบารมีศีลและอุปบารมีศีละปรมัทธาบารมีคําว่าศีละบารมีก็คือศีลที่สมทานประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบารมีในที่นี้หมายถึงจตุปริสุทธิศีลนะไม่เฉพาะแค่ศีลห้าหมายถึงจตุปริสุทธิศีลความบริสุทธิ์ของศีลสีประการมีปาติโมขสังวรเนี่ยนะ ปฏิโมขสังวร อ, อินสียะสังวรปัจจยาสานิสิตสินอาชีวะปาริสุทธิสินนะทั้ง4ประการแล้วก็การรักษาศินเหล่านี้เสมอด้วยอวัยวะเนี่ยนะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาศินเหล่านี้เอาไว้ศีลอันนั้นเรียกว่าศีลอุ ป, ปปารมีศีลบางอย่างถึงก็ยอมชีวิตเลยนะียยอมบริจาคชีวิตจะตายก็ช่างเถอะเพื่อที่จะ รักษาศีลเอาไว้ได้ศีลอันนั้นเรียกว่าศีล ป, ร ม, ปรมัภิปรมีใครที่เคยศึกษาเรื่องสังคปาลนาคราชภูริทัตตนาคราชพวกนี้ก็เหมือนกันนะที่สมาทานศีลรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตแต่ว่าการรักษาศีลเหล่านั้นก็ตั้งเป้าหมายเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรืออรหัตตมัคคิยานเป็นที่ตั้งแห่ง สัพพัญยุตยานเพื่อที่จะได้ช่วยจำแนกแจกแจงพระธรรมคำสอนจะได้อนุเคราะห์สงเคราะห์เวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฮัลคำสอนที่มาในพระไตรปิฎกเกิดจากการบำเพ็ญบารมีมีทานศีลบารมีเป็นต้นนั่นเองแล้วพระองค์ก็ยังบำเพ็ญเนคขมะบารมีคำว่าเนคขมะบารมีนั้นเป็นชื่อของสมถะนั่นเองเองนะเป็นชื่อของการเจริญสมถะเป็นการออกจากกามทั้งหลาย อันพระองค์ก็ทรงเจริญเนคข ม, มะบารมีเนคข ม, มะทางกายก็การออกบวชเนคข ม, มะทางใจก็คือการเจริญสมถะเนี่ยน ะ, ะแล้วก็พอเนคข ม, มะต่อด้วยปัญญาบารมีปัญญาก็เป็นชื่อของวิปัสสนานั่นเองเนี่ยนะก็บำเพ็ญวิปัสสนาด้วยเป็นไม่มีการบำเพ็ญสมถะนั้นการที่รักษาสมถะพอกพูนสมถะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามสมควรนั้นก็เป็น เนคข ม, มะบารมีเนคข ม, มะอุปบารมีเนคข ม, มะ ป, ร, ะมะปรมัตถารมีตามลำดับไปแล้วก็ปัญญาบารมีก็นับตั้งแต่การสแสวงหาการศึกษาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนถึงกับพอกภูในการเจริญวิปัสนาจนสามารถแทงตลอดสัจจานุโลมมิกยาญาณญาณที่อนุโลมต่อการรู้แจ้งอริยสัจพะันพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่มีเฉพาะมรคยาน ส่วนยานที่ต่ํากว่านั้นเนี่ยนะสังขารุเปกขายานต่ําลงมาเนี่ยยานใดที่ท่านไม่มีเป็นไม่มีคือสรุปว่าท่านมีทุกญานเว้นแต่มัคคายานคือเว้นโคตรภูยานมัคคายานผลยานและปัจเจเวขณะยานในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนหน้านั้นมาถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าโสดาปฏิมักเกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นท้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะตอนหลังเนี่ยก็ต้องพ้นแล้วพ้นเลย ถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันแล้วจะกลับมาเป็นปุตุชนอีกไม่ใช่ฐานะพอพระโสดาบันจะไม่เสื่อมแล้วทีนี้พอปัญญาบารมีเสร็จก็คนมีปัญญาเนี่ยจะต้องอาศัยอะไรมาช่วยอาศัยความเพียรพยายามเนาะจึงจะมีผลเนี่ยนะพันวิริยะบารมีก็มีความสําคัญฉลาดแต่ทําอะไรไม่ต่อเนื่องมีผลไหมไม่มีผลเนาะความเพียรจึงมีความสําคัญมากต่อจาก ปัญญานั้นปัญญานั้นอาศัยความเพียรมาอุปการะเกือ้อกูลเกือ้อหนุนปัญญาเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มากทีนี้ความเพียรความพยายามนั้นต้องเป็นความบากบัน่นจริงๆว่า ง, งั้นฉนั้นความเพียรความพยายามของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นดูตัวอย่างเหมือนมหาชนกนะทีนี้วิริยะบารมีนั้นเป็นเรื่องของความเพียรพยายามเนี่ยนะ แต่ความเพียรพยายามนั้นก็มีอะไรเป็นเกื้อกูลมีปัญญาเกื้อกูลเนียนะเพราะปัญญานั้นจะมีผลก็อาศัยความเพียรแต่คนที่มีความเพียร น, นี้ถ้าขาดน้ำอดน้ำทนอยู่ได้ไหมไม่ได้เนาะจะต้องมีน้ำอดน้ำทนรอได้ทนได้อันนี้เรียกว่าบารมีอะไรขันติบารมีเขเรียกว่าต้องรอได้รอเป็นเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหทาไปแล้วเอ๊เพียรพยายามก่อนแล้วไม่เห็นได้ผลสักอย่างเลยใช่ไหมก็ต้องรอได้นะถ้าสมมติถ้าเราทํากับข้าวเนี่ยนะหาเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์มาปรุงแต่งได้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะไฟก็เร่งพอดีแล้วเอ๊ทำไมอาหารยังไม่สุกสัทีหนึ่งแต่ตรงนี้ถ้าเพียรพยายามคนก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วทำไมอาหารยังไม่สุกอ้าวยังไม่ถึงเวลาต้องรู้จักรอนะ ถ้ารอได้อย่างนี้ใจที่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจรอได้ยังงี้เรียกว่าขันติบารมีอดทนมีน้ำอดน้ำทนแล้วก็คนที่อดทนได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสัจจะนะจึงจะอดทนได้คนที่ขาดสัจจะนั้นจะอดทนไม่ได้เพราะฉะนั้นบารมีข้อต่อไปก็คือสัจจะบารมีเนี่ยนะคนที่มีบารสัจจะก็จะทำให้มีน้ำอดน้ำทน แต่คนที่มีสัจจะนั้นใจเขาต้องตั้งมัน่นเรียกว่าอธิฐานบารมีเนี่ยนะมีจิตใจที่ตั้งมัน่นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นแสดงว่าเป็นคนที่มีเมตตาคนที่หวังดีปรารถนาดีหวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความสุขแกสัตว์ทั้งหลายนั่นเองอคนที่มีเมตตานั้นเมตตาจะมีผลมากก็รู้จักวางใจ คำว่ารู้จักวางใจนั่นเราเรียกว่าอุเบกขาบารมีเนี่ยวางใจเป็นเนี่ยนะเรเรียกวางใจให้เป็นกลางได้ไม่ชอบไม่ชังอันบารมีทั้งสิประการนี้สงเคราะห์เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมอันการที่บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเหล่านี้ถ้าหากว่าขาดการุณาก็เจริญไม่ได้อาศัยกรุณานี่แหละสงสาร เราก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเรามองอุปมาเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยนะที่เห็นลูกเจ็บไข้ไม่สบายค่าอยู่ค่ายาก็ไม่พอเห็นนะเห็นลูกที่รายก็สงสารทุกทีทําไงอะ่ะยอมเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมทำงานสายตัวแทบขาดเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงรักษาลูกหาอยู่ค่ายามารักษาจนจนถึงกับส่งเสียเล่าเรียนทํางานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ํา ถึงจะ บ, บ่นบ้างก็นิดหน่อยเนาะแต่ก็สู้อดสู้ทนทมต่อไปจนลูกหลานสำเร็จการศึกษาได้อันนั้นอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นความเพียรความพยายามของพ่อแม่เพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรทั้งหลายพระโพธิสัตว์ช่วงที่ท่านบำเพ็ญบารมีท่านก็ลักษณะนั้นแหละท่านรอท่านหวังใจอยู่ว่า ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้แสดงธรรมจะได้ทรงเคราะห์จะได้อนูเคราะห์สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็จะพ้นจากวัฏฏุกข์ได้ น, นี่แหละอาศัยกรุณานั่นแหละกระตุ้นเตือนทีนี้ถ้าหากว่าคนที่มีกรุณาถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะทำตลอดรอดฟังไหม ไม่ตลอดรอดฟังนะอาศัยปัญญานี่แหละเป็นเครื่องบริหารอันนี้พระคุณข้อที่สองแบบย่อๆก็คือพระปัญญาที่คุณนั้นพระองค์ก็มีพระปัญญาที่คุณสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกเกื้อกูลในการบำเพ็ญบารมีทั้งสามสิอย่างนั่นแหละนั้นอาศัยปัญญานั่นแหละเกื้อกูลนั้นปัญญาก็ช่วยส่งเสริมปัญญานี้อบรมตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ ปัญญาเหล่านั้นจะเปี่ยมล้นบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ปัญญาที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยปัญญาที่พระองค์ทรงอบรมมาแต่ก่อนแต่ก่อนนั่นแหละเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมก็เหมือนกับว่าคนที่จบปริญญาเอกเนี่ยเป็นดอ็อกเตอร์เนี่ยถามว่าการเรียนอนุบาลของเขาเนี่ยเกื้อกูลไหมต่อการเป็นดอ็อกเตอร์นะั้นแหะเกื้อกูลเนาะ แม้แต่เป็นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองก็เกื้อกูลต่อการเป็นด็อกเตอร์นะปอหนึ่งปสองปสปสปหป 6, หรือว่ามัธยมปีที่1 2 ,3 ่งสสี่ห้าหนี่นะปริญญาตรีปริญญาโททั้งหมดเหล่านั้นช่วยเกื้อกูลต่อการจบปริญญาเอกการบำเพ็ญบารมีก็ลักษณะนั้นนั่นแหละปัญญาในอดีตชาติก็ช่วยส่งเสริมเกื้อกูลปัญญาในชาติใหม่ต่อไปเรื่อย ลักษณะนี้จนปัญญาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ว่าคนที่มีปัญญานั้นถ้ามีปัญญาอย่างเดียวถ้าขาดความบริสุทธิ์ใจก็จะลำเอียงใช่ไหมคือคนมีปัญญานี่ฉลาดโก ง, ง่ายนะเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อได้ง่ายมีปัญญาอย่างเดียวก็หวังประโยชน์กรอบโกย แต่นี้ไม่ใช่มีความบริสุทธิ์ใจอย่างเพียงพอท่านนั้นมีสภาพจิตที่เหมือนกับดอกบัวนะดอกบัวนั้นอาศัยน้ำและคโคลนตมเจริญเติบโตขึ้นพ้นมาจากน้ำและคโคลนตมโดยที่ไม่มีน้ำและคโคลนตมเป็นดอกบัวที่ส่งกลิ่นหอมละเรื่นใจพระองค์ก็เหมือนกันพระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์ใจในการบาเพ็ญบารมีเหล่านี้ ไม่ได้หวังหลอกลวงไม่ได้หวังชื่อเสียงอย่างอื่นเป็นต้นเลยแต่ด้วยใจที่กรุณาหวังประโยชน์ที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละอันพระคุณโดยย่อทั้งสามประการเกื้อกูลให้พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้พระองค์นั้นบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีความรู้ในคุณของพระองค์มากเท่าไร เราก็ยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เท่านั้นเพราะว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่ช่วยให้เราพ้นจากวัฏจรทุกข์ได้จริงเนี่ยนะไม่มีวิชาแขนงอื่นที่จะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้นอกจากคำสอนของพระองค์วิชาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พ้นจากโลกเป็นวิชาที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรธรม อันพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์เรียกว่าพระปริยัติธรรมพระปริยัติธรรมนั้นก็คือเป็นธรรมที่ชี้แนวโลกุตระเป็นพระธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อโลกุตระเป็นพระธรรมที่บอกหนทางเพื่อเข้าถึงโลกุตระอันพระปริยัติธรรมคำสอนเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับแม่น้าให ญ, ใหญ่อันแม่น้าสายใหญ่หญก็ไหลลงทะเลฉันใด พระปริยัติธรรมคซํซสอนก็เหมือนกับแม่น้าสายใหญ่หญที่ไหลไปสู่โลกุตรธรรมไหลไปสู่พระนิพพานเนี่ยนะวันพระธรรมคาสอนเนี่ยจะสนับสนุนเกื้อกูลแห่งการเข้าถึงโลกุตระธรรมนั้นนัน้นถ้าหากว่าเรามีศรัทธาก็จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนเหล่านั้นผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงคาสอนเหล่านั้นเบื้องต้นเรียกว่า พูดถึงไตรสรนาคมน่ยะพูดถึงไตรสรณาคมคือยอมรับนับถือว่าเออพระพุทธเจ้านี้ตรัสรู้ดีจริงพระธรรมคำสอนของพระองค์ช่วยให้สัตว์พ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงสาวกของพระองค์ที่ปฏิบัติตามคำสอนบรรลุถึงโลกุตระธรรมได้จริงๆมีศรัทธามอบกายถวายชีวิตผู้ทั้งสรนังขา้ามิ ทรรมังสารนังขะชามิสังฆสารนังขะชามิลักษณะนี้เราก็รียกว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถึงกับยอมมอบกายถวายชีวิตขอเป็นศิษย์ศึกษาตามไปที่ไหนก็ตามนอบน้อมพระองค์ท่าน ลักษณะนี้เาเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าถึงสารณคมเมื่อเข้าถึงไตราสารนคมอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็จะชี้เรื่องอริยสัจให้เห็นเขาก็มองเห็นอริยสัจปฏิบัติตามแทงตลอดอริยสัจบรรลุอริยสัจครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันเขาก็เป็นหนึ่งในสารนสามนะนะ เมื่ อ, อไร่ที่เขาปฏิบัติจนถึงเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปเขาก็เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีมองเห็นพระนิพพานเป็นผู้ที่อยู่ชิดประตูนิพพานเป็นที่ไม่หวนกลับไปสู่อบายภูมิอีกแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรูม้มรรคผลนิพพานในเบื้องหน้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะโสดาบันบุคคลเนี่ยทีาเราบอกว่า ถึงจะยินดีในวัตตะประมาทอยู่บ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติพผะะ น, นความทุกข์ของพระโสดาบันที่เหลืออยู่นี่นะเนีเขาบอกว่ามเมล็ดพันธรกาศเจ็ดเม็ดกับภูเขาซิเนรุอันไหนจะ ม, มากกว่ากันบ้างนบอกว่ า, วาโหภูเขาซิเนรุหรือภูเขาหิมวันเนี่ยนะใหญ่มากเหลือเกินเมื่อเทียบกับ มเมล็ดพันธุ์ประกาศเจ็เม็ดเนี่ยนะปเปรียบเทียบไม่ได้เลยชั้นใดก็ดีทุกขอ